เดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฟันที่ฉันมุ่งหวังดังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจาก สู้ความรุงเรืองทั่วกันดำคูต้นตอสู้แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแต่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู้ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน สู้ความรุงเรื่องทั่วกันดังคูต้นโตสู้แดดผนไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบางงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู้ยังท้องถิ่น บ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธา เรื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทัานโลกท่นเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้ในส่วนของธนาคารโลกเนี่ยมีการพยากรมีการชี้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของทั่วโลกนะรวมทั้งเศรษฐกิจของไทยเราด้วยนะครับซึ่ง เวินแบงค์หรือธนาคารโลกก็ประมาณการบอกว่าในส่วนของเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็จะมีการเติบโตร้อยละ 3.9 เนะฮะแต่มองระยะยาวเนี่ยศักยภาพการเติบโตนี่อาจจะลดลงนะเพราะว่ามีความเสี่ยงนะเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกนี่ชะลอตัวก็จะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยการส่งออกสะดุดได้เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเด เศรษฐกิจชะลอตัวก็ต้องประหยัดเง็บประมาณก็จะมาเที่ยวไทยน้อยลงอาจจะเป็นไปได้รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆอาจจะชะลอตัวเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเนี่ยก็จะส่งผลกระทบแหะครับเพราะ ม, มียังมีสงครามในยูเครนอยู่นะครับแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตอนนี้ก็มีการลงทุนในช่า ง, งักเป็นผลจากการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้า นะครับนะตอนนี้นี่นะครับนะก็ทำให้นักลงทุนนี่ก็ชะ ง, งักนะก็ไม่กล้าที่จะมาลงทุนทางด้าน เ, าเศรษฐกิจนี่ก็ต้องอปัญหานี่สินตามครัวเรือนเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับของไทยเราเป็นนี่เป็นสินกันมากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็จะแก้อย่างไรก็คงจะต้องดูนะครับนะซึ่งเวินแบงกนี่ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยของเราปี 2,566 นะก็จะเพิ่มการเติบโตจะเพิ่มจากร้อยละ 3.9 ขึ้นมาเป็นร้อยละ 33.9 จากปีที่แล้วในร้อยละ 3.6 นะครับซึ่งก็เป็นการฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะเราได้รับอันนี้สงจากการท่องเที่ยวนะนะเพนะราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากจีนที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเรามากขึ้นหลังจากที่จีนในปเปิด ให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศได้หลังจากวิกฤตโควิดเนี่ยแหละครับนะก็ไทยเราก็เป็นเป้าหมายแรกๆของนักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวเมืองไทยกันมากโดยเฉพาะาเมืองแม่เหล็กอย่างเช่นภูกเก็ตนะมันจะเป็นพัทยาเชียงใหม่พวกนี้นะก็เป็นเมืองแม่เหล็กที่นักท่องเที่ยวจากจีนนิยมในขณะที่การส่งออกสินค้า ตอนนี้นี่มีแนวโน้มที่จะหดตัวเนื่องจากว่าความต้องการซื้อเนี่ยมันลดลงเพราะเศรษฐกิจโลกในชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้อาจจะได้รับผลกระทบบ้างการส่งออกนะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องดูเลแต่เราได้การท่องเที่ยวเข้ามาเสริม น, นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเมืองไทยนี่ก็อย่างที่รู้กันว่าที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมากก็ได้แก่จีนแล้วก็อินเดียะครับนะเพราะเป็น ประเทศที่มีประชากรนี่สูงนะครับนะเป็นพันล้านขึ้นไปรวมทั้งเพื่อนบ้านเราอย่างมาเลเซียนะและสิงคโปร์นี่ก็มาเที่ยวในเมืองไทยเรามากนะครับเพราะว่าประเทศติดกันนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ช่วยพยุงนะครับเราก็จะเห็นว่าการการท่องเที่ยวช่วยพยุงเศรษฐกิจในบ้านของเรานะมากขึ้นแต่งเงินเฟอ้อนี่ธนาคารโลกก็บอกว่าอยู่ที่ร้อยละสอง ในปีปีนี้นะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาของพลังงานโลกคือน้ำมันนะกาต่างก็เริ่มผ่อนคลายลงคือราคาจะมีแนวโน้มที่จะไม่ไม่สูงขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นนี้ตรงนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจนี่ฟนะื้นตัวนะครับนะกันได้นะซึ่งตรงนี้นี่คงจะต้องติดตามดูนะครับนะก็คงจ ะ, ะเป็นสัญญาณที่ดี นะครับนะของของเศรษฐกิจของเราแต่แล้วก็คงจะกังวลกันแต่เรื่องการเมืองว่าต้องตั้งรัฐบาลให้เสร็จอย่างรวดเร็วก็จะทําให้เศรษฐกิจดีฟื้นตัวนะครับมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อรับฟังเพลงกันสักเพลงครับท่านผู้ฟังครับ ฟังคำเยอะมาเสียดสีทิมงแทงในใจปลักสให้ไปไกลตาถ้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าจอดอกฟ้างามดินรักจริงจากพี่ชาวดินอยู่พินจึงมองม ใช้เงินพรชาชาวยินเจ้าเปลิม พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้นี่ก็คงเป็นช่วงที่ในส่วนของในส่วนของราชาการต่างๆนี่ก็ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่นะว่าจะมีการมีการเลือกในส่วนของประธานสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือก็จะเป็นประธานรัฐสภาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับนะซึ่งพรรค ในส่วนของพรรคใหญ่ที่เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องตกลงกันให้ได้ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของก้าวไกลใครจะเป็นประธานสภาแล้วก็จะถัดไปก็จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศกันต่อไปนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูกันต่อแต่ในส่วนของาการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้มีการนา ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมจากอ a s เ e r n s e a b บอร์10แห่งไปโรดโชว์ในญี่ปุ่นนะพยายามที่จะดึงนักลงทุนจากญี่ปุ่นมาลงทุนในเขตเศษษษษษษนะรษฐกิจภาคตวนออกของเรานะที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของญี่ปุ่นนะครับเมืองนาโกย่ายมีท่าเรือมีหมูนค่าการส่งออกสูงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรม ทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยานอาวากาศนี้นะครับตั้งอยู่ที่ในส่วนของนาโกย่าเนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะดึงนะครับนะดึงบริษัทญี่ปุ่นเหล่านี้ซึ่งก็อย่างเช่นโตโยต้าซูซูกิฮอนด้านะมามาอย่างนี้คมอุตสาหกรรมในไทยนะซึ่งก็พยายามจะดึงมาให้ได้ประมาณ 3,700 ล้านนะหรือ 4,000 ล้านนะครับนะซึ่ง เราก็จะไปแสดงความพร้อมของเราในหะ้ให้กับในส่วนของบริษัทขนาดใหญ่นะครับนะว่าเรามีความพร้อมอย่างไรนะครับแต่ซึ่งตรงนี้นี่มีนักลงทุนจากญี่ปุ่นมาสนใจขยายฐานการผลิตในไทยอย่างเช่นอุตสาหกรรมเหล็กพลังงานทดแทนชิ้นส่วนยานยนต์แบตเตอรี่นะครับนะเพราะว่าจะใช้แบตเตอรี่ที่ใช้ใน รถ E ีวีหรือรถไฟฟ้าเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีนโยบายสนับสนุส น, นยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีวีนะชัดเจนนะครับเพราะว่าลดภาษีให้นะครับถ้ารถอีวีราคาล้านกว่าเนี่ยจะลดนะลดภาษีให้เป็นแสนสองแสนนะครับทำให้ราคานี้ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นนีก็พยายามที่จะแข่งกันซึ่งในส่วนนี้ไทยเราต้องแข่งกับอินโดนีเซียแล้วครับนะเพราะว่าอินโดนีเซียนี่ก็ มีความเคลื่อนไหวนะครับที่จะดึงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอีวีเนี่ยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีการเจราจากับเทสลานะครับแล้วก็บริษัทรถไฟฟ้าขนาดใหญ่หลายบริษัทนะเพราะว่าอินโดนีเซียนี่ก็ก็ได้เปรียบบ้านเราเพราะว่ามีอินโดนีเซียเนี่ยมีแร่มีเหมืองนิกเกิลนะครับแล้วก็มีแร่ ตั้งต้นของการผลิตแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้านในอินโดนีเซียนะครับนะซึ่งไทยเรานี่ก็ยังมีไม่ไม่มากเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ ต, ต้องต้องใช้มาตร ก, การอื่นในการแย่งชิงแต่ว่าไทยเราได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอ า, อาเซียนแต่เป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเขาเรียกว่ารถยนต์สันดาบนะครับนะซึ่งอยู่ในไทยเราทั้ง บริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่อยู่ในไทยทั้งนั้นแหละครับโตโยตา้าฮอนดา้าฮิสูสุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะเ <laughs> พระเาะฉะนั้นตรงนี้นี่ในส่วนของรถ e ีวีนี่ก็ต้องแข่งกับอินโดนีเซียนะครับนะไทยเรานี้ก็มีบริษัทผลิตรถไฟฟ้ารถอี ข, ขนาดใหญ่นะม า, มาลงทุนแล้วน ะ, ะอย่างของจีนเนี่ยบดีนี่ซึ่งเป็นรถ บริษัทที่ผลิตรถไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกนี้ก็มาจะบอกก็จะตั้งฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็แนวโน้มก็คือก็จะต้องแข่งกันนะครับไทยอินโดนีเซียนะซึ่งความชัดเจนก็คือนโยบายของรัฐบาลนี่แหละครับนะก็ต้องชัดเจนในการที่จะส่งเสริมคือในอนาคตในคนก็จะมา ใช้รถไฟฟ้ากันรถีวีกันมากขึ้นเรื่อยๆนะมาแทนที่รถเครื่องยนต์สันดาบหรือที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าน้ำมันนี่มีราคาแพงเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ามันเบนซินดีเซลนี่แพงขึ้นมากนะประชาชนนี่ค่อนข้างที่จะอดครวนแล้วครับนะราคาน้ำมันแพงซึ่งหลายๆคนถ้าไปใช้รถอ v วีรถไฟฟ้าก็จะประหยัดกันได้ครึ่งต่อครึ่ง น, นะครับนะซึ่ง นะก็เริ่มที่จะมีคนรุ่นใหม่หันไปใช้รถนะไฟฟ้ารถ e ีนะีกันมากขึ้นเรื่อยๆลครับแล้วก็จะเห็นมีเริ่มมีการติดตั้งสถานีนะชาร์จไฟนะครับนะสำหรับรถ EV อยูตนะตตนะตต่ตามพื้นที่ต่างๆตามปั๊มน้ำมันบ้างตามห้างสรรพสินค้าตามพื้นที่ต่างๆนะขยายตัวทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะแนวโน้มก็อาจจะมาแทนรถเครื่องสันดาบลครับนะอีก 5ปี10ปีข้างหน้านะซึ่งพะตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะไทยเราก็คงจะต้องไปแข่งแข่งกันนะครับในส่วนนี้รวมทั้งอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนี่ก็จะเป็นคู่แข่งนะครับพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆนี่นะครับนะบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำนี่หลายบริษัทเคลื่อนย้ายฐานไปที่เวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลีจากจีนจากญี่ปุ่นนี่นะครับเพราะว่ามีค่าแรง อาจจะมีแรยงานราคาถูกแล้วก็มีทักษะแล้วรวมทั้งนโยบายของของรัฐที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะนะมีการเอื้อมหน่วยกันมากเพราะฉะนั้นไทยเราคงจะต้องมีปรับปรุงตรงนี้แหละครับนะเกี่ยวกับเรื่องของระกฎระเบียบอะไรต่างต่างนะหรือว่าในส่วนของการสนับสนุนการลงทุนต่า ง, างๆ่เนี่ยคงจะต้องปรับกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการและชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกัน รถ ล, ละเลิกสุบุรีครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธ น, นันต้องขอลาท่านัปก่อนและพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ว่านั่งไอไอก็ไดชาอย่าพาแดงใทบ้านว่าเหมาะสมเป็นศิล์สองตอนอ่อนเทีื่อให้แต่งเพง่ออยากเห็นเขาหากเขาแผลบังแยงกันฮอดฟังฟันแต่หลายปีผ่านย้อนเงินย้อนงานแล้ววันเวลาเพ็ดให้หักเข้าห้างป่า โชคชะตาพ า, า ก, กันเ้าว่าน้องนางไอมีคนป้อนไขเด้กเขาพาควันจนมีลูกมีเต้าน้ำกันอ้ายนั้นจำต้องเป็ดใจเมื่อบุญบางไปไ อ, อ้ายยังจำได้อยู่ริมน้องหางเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นไปย้อนตำนานผ้า ด้วยสัญญาสิบอกให้ลมคือน้องหานใหญ่จักศาสตร์ผ้าแดงนางไอสิหา ก, กันไปบ่ไาวาสายแนเ่เกิดขอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟน ไอ้สิจูดบังไฟแล้วฝาก้ำไปบอกพยาเทนว่าผ้าแดงยังมันยังเก่็ดรอต่อสายแนนนางไทยของอา เมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอ้วยสัญญาณสีบอกให้ลมคือน้องหานไงอีจักาสาดผ้าแดงนางไอยสิหากกันไปพอวายสายแน่คือทอดคือเก่าแม้ฮักสองเฮาสิสุดทางฝัน ใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ด